มีความเห็นอันดีเสมอ ก, กันกับเพื่อนโรมจารีตรัสกับพระอานนุ์ว่าเพียงด้วยเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ภิกษุก็จะพึงอยู่เป็นภาสุขคือหนึ่งภิกษุกสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยตนเองไม่ทำผู้อื่นให้เป็นไปคือตั้งอยู่ในอธิศีลข้อนี้หมายถึง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 พูดขัดในระหว่างที่กำลังพูดมีปัญญาซามแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้ามตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างไม่ควรเข้าสัมมาสมาธิคือไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสอดทพักแล้วส่งแสดงฝ่ายดีในทางตรงกันข้าม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 แล้ส่งแสดงธรรมะที่ให้อายุยืนในทางตรงกันข้ามกับส่งแสดงธรรมะที่ตัดร้อนและทําให้อายุยืนอื่นอีกเปลี่ยนแต่ตอนท้ายสองข้อคือ 4, สทุศีลห้ากบคนชั่วเป็นมิตรกับส่งแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามส่งแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่าง ไม่ควรอยู่ตามลำพังแยกจากประสงค์คือไม่สันโดษด้วยปัจจัยสีและมากด้วยความตรึกในกรมกับทรงแสดงฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามสันโดษด้วยปัจจัยสีสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้หรือยินดีด้วยของของตนไม่ยินดีของของคนอื่น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 ให้ห่อด้วยจิตคิดประทุษร้ายทำสงให้แตกกันทรงแสดงความเสื่อมห้าอย่างคือความเสื่อมญาตเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคเสื่อมศีลเสื่อมเพราะทิฏฐิแล้วตรัสว่าสามข้อต้นคือเสื่อมญาตเสื่อมทรัพย์เสื่อมเพราะโรคไม่ทำให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกแต่ความเสื่อมศีลเสื่อมเพราะทิฏฐิ ทำให้เข้าถึงอบายเป็นต้นแล้วส่งแสดงความถึงพร้อมในทางตรงกันข้ามและว่าสองข้อหลังคือการเจริญด้วยศีลเจริญด้วยทิฏฐิทําให้เข้าถึงโลกสวรรค์วรรคที่สี่ราชวัค์ว่าด้วยพระราชา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 ทำได้เช่นเดียวกับพระราชบิดาและทำให้พระสารีบุตรทำได้เช่นพระตถาคตต่อจากนั้นส่งแสดงคุณธรรมของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเทียบกับของพระตถาคตคุณธรรมของพระราชาคุณธรรมของเชตโปรสแห่งพระราชาเทียบกับของภิกษุในส่วนของคุณธรรมห้าประการของภิกษุ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 รู้จักรักษารู้จักอดทนรู้จักไปเทียบคุณธรรมของภิกษุวรรคที่หชื่อติกันธกีวรว่าด้วยเหตุการณ์ในปาติ ก, กันธกีทรงแสดงบุคคลห้าประเภทคือหนึ่งให้แล้วดูหมินสอง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 3. ไม่ริเริ่มและเดือดร้อน 4. ไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างแรก 5. ไม่ริเริ่มไม่เดือดร้อนอย่างหลังโดยอธิบายว่าริเริ่มหรือไม่ริเริ่มได้แก่รู้หรือไม่รู้เจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตตามเป็นจริงเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนได้แก่อกุศลละบาปธรรม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 แก้วมณีนางแก้วขุนพลแก้วหาได้ยากในโลกตรัสตอบว่าความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะห้าคือพระตถาคตพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วผู้แสดงพระธรรมวินัยนั้นผู้รู้พระธรรมวินัยนั้นและผู้ที่รู้แล้วปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นหาได้ยากในโลก ตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายพิจารณาในเรื่องปฏิกูลและไม่ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและปฏิกูลเป็นต้นยักย้ายหลายในเพื่อไม่ให้เกิดราคะโสะโมหะและให้มีสติสัมปชัญญะวางเฉยได้ในสิ่งเหล่านั้นตรัสเรื่องกุลเมสีห้าเป็นผู้ตกนรกผู้ปฏิบัติตามสีห้า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 แล้วส่งแสดงฝ่ายดีตรงกันข้าม